ซึงก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี24ท่านเริ่มเป็นมะเร็งลาไส้เพราะนั้นท่านรวบรวมคำสอนหรือเบื้องต้นเนี่ยท่านเน้นเห็นว่าทุกคนเป็นศาสนาหมายความว่าเราสามารถสอนตัวเองได้อยู่แล้วแต่ว่าจะสอนแบบไหนสอนถูกสอนผิดสอนดีสอนชั่วนั้นอีกเรื่องหนึ่งบาง ท, ทีถ้าเร า, าฟังจากคนอื่นอย่างพ่อแม่สอนเราดีทั้งนั้นแต่เราก็บางครั้งเราก็ดีไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็สอนในสิ่งที่ดีเท่านั้นแต่บางคนก็ยังดีไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อแต่ทุกคนจะเชื่อตัวเอง เอานั้นเองคนคือศาสนานะในในยิยามของหลวงพเทียนนะที่นี่เราจะเอาศาสนาไหนเข้าใส่ตะได้เป็นพุทธาศาสนาพุทธะ หมายถึงตัวสติตปัญญาท่านว่าถ้าคนไหนสอนตัวเองด้วยสติปัญญาคนนั้นก็เป็นพุทธศาสนาแต่ต้องเน้นว่าเป็นสมมาสติคือสติที่ถูกต้องและปัญญาที่ถูกต้องถึงจะเป็นพุทธศาสนาคนอื่นก็สอนด้วยสติปัญญาเหมือนกันระหว่างนั่งตื่นกับหลับเนี่ยอันไหนต้องใช้สติอันไหนไม่ต้องใช้สตินั่งง่วงกับไม่ง่วงอันไหนต้องใช้สติอันไหนไม่ต้องใช้สตินั่งง่วงไม่ต้องใช้สติใช่ไหมแต่นั่งตื่นรู้อยู่ต้องใช้สติอาจารย์รน้บอกว่าอย่างง่วงแต่เราเคยฟัง ถ้าเราจะง่วงเราก็ไม่ฟังหรเราจะง่วงใช่ยาง <c oughs> อันนี้บอกว่าเราเชื่อตัวเองเราไม่ได้เชื่อครูาอาจารย์ถ้าเราเชื่อครูอาจารย์ทุกคนไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์หรอกแต่เราไม่ได้เชื่อเดีย๋ยว่าครูอาจารย์แม้แต่พ่อแม่เราก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมพ่อแม่ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนทุกข์คนยากคนจนคนเป็นโจรเป็นขโมยนะแต่เราก็ยังเป็นแสดงกัาเราก็ไม่ได้เชื่อเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาคือาศาสนาที่สอน สติบางครั้งเราก็ทําสติได้อันที่2ต่อมาท่านเน้นว่าคําว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจแต่เวลาเอามาทําจริงสมาธิเราไปทําแบบไหนไปนั่งหลับตานั่งหลับตา<ม>ท่านยกไปเหตุการณ์ตอนที่ท่านไปจำเป็นสายอยู่ที่วัดโมขอนแก่นมีโยมาถามว่าหลวงพ่อสอนทิฏฐิ น, นาใช่ไหมก็ไม่สอนพอแนะนําได้แล้วให้ทําอย่างไรท่านก็ยกมือให้ดูพ่าไม่จะสงบได้อย่างไรหลวงพอ่อมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเนี่ยเราเข้าใจว่าสมาธิคือนั่งสงบนั่งหลับตาใช่ไหมเราก็ทําอย่างนั้น แต่เราจะบอกตื่นตาอะไรเราก็ไม่ตื่นเพราะเราไม่ได้เชื่อครูอาจารย์ก็เชื่อตัวเองตัวนี้เองเมันก็นเลยเราก็ไม่สามารถจะก้าวหน้าได้นะะปฏิบัติธรรมเราก็นั่งหลับเนียซึ่งมันก็พอแค่นั่งหลับไปหลวงพ่อก็เลยเอาแว่นตาไปซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็ถามอีกทีนึ่งว่าแว่นตาหายไปไหนไม่รู้กัน เอาไม่รู้ของุณนั่งสมาธิอยู่ของหายไม่รู้สมาธิแบบนั้นจะใช้ได้ไหมอ๋อใช่ไม่ได้ทีนี้ก็มาว่าข้างหน้าคุณรู้ไหมว่าแว่นตาหายไปไหนเมื่อกี้หลวงพ่ อ, อยิบไปว่าข้างหลังลืมตานี่แล้วทําสมาธิดีไหมดีพอได้เพรตาไมีเห็นแล้วรู้ได้ ว, ว่าของหายไปไหนแล้วมาจากไหนการวิสูจน์ง่ายๆกับหลวงพ่อนะอันนี้คือวิธีทําให้ตื่นรู้นะคุณไหนนอนไม่หลับบ้างเมื่อคืนหลวงพ่อใจอนุญาตให้ไปให้หลับได้ต่อคือนั่งทํามานั่งหลับที่นี่มันจะเป็นบาปนเะพออย่าง น, นเลยตั้งตื่นดังนั้นสมาธิแปลว่า ไม่ได้แปลว่ลลานั่งหลับหูหลับตาไปลว่านั่งหลับดับดิ่งอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนามัเป็นศาสนาศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอื่นแต่เราก็ยังทําเพราะว่าแต่คนจรงพุทธิยถาท่านก็ทํามาก่อนนะทำตามอาราร ธ, ธาราบุตรากราบุตแต่ท่านก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เห็นอะไรแต่ท่านมาทําด้วยตัวเองคือมาทําตัวรู้ตื่นให้เกิดขึ้นเอันนั้นในข้อนี้เรามีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ถ้าหลวงพ่อจะไปในส่วนผู้เก่าละเอียดเกินไปก็ผู้ใหม่ก็คงตามไม่ทันนะถ้าพูดถึงเรื่องผู้ใหม่แต่ในเรื่อง ของการภาวนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรียนหนังสือสมงว่าเรียนหนังสือท่องบทเดียวกันเนะ่ยคนเก่าคนที่เคยท่องก็จําได้คนที่ใหม่ก็จําไม่ได้แล้วจะมาบอกให้ท่องมันก็คนใหม่ก็เขาก็จําได้ไปท่องทําไมอีกแต่หากว่าจะไปสอนคนเก่าบทต่อไปคนใหม่ก็เอบทแรกยังจําไม่ได้บทต่อไปจะท่องไม่ได้มันก็ยันอันนี้คือการจําแต่วิธีการวิปัสสนาไม่ได้ใช้ความจำใช้ความรู้สึกความรู้สึกมันเกิดแล้วมันก็ดับ มันใหม่อยู่เสมอไม่มีใครเก่าไม่มีใครใหม่คือหมายความว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะนั้นเราก็มีการเริ่มต้นแต่ละเวลาการเริ่มต้นโดยควา ม, มารู้สึกตัวก็จึงไม่มีคนเก่าคนใหม่แต่เพียงแต่ว่าคนเก่ามีประสบการณ์ว่าได้ทําสิ่งนี้มารู้สึกอย่างนี้เข้าใจถูกต้องเข้าใจชัดเจนแม้จะพูดถึงเรื่องเดิมคือรู้สึกตัวนั่นแหละแต่ว่าคนที่เข้าใจก็จะต่างมิติกันไปสําหรับผู้ใหม่ความรู้สึกตัวก็จะเน้นถือว่ารู้สึกกายรู้สึกกายขณะนี้เป็นไงสบายหรือไม่สบายนี้สําหรับคนที่มีศรัทธาที่จะศึกษาก็จะเข้าใจคนที่ไม่มีไม่มีศรัทธาที่ศึกษาก็จะไม่สูต เราก็จะเข้าใจความรู้สึกผืนผ่นเพราว่ารู้สึกกลายเป็นไงขณะ น, นี้กายรู้สึกเป็นไง เยอะหลือเกินเนาะสบายไม่สบายไอ ห, หนูเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่านั่งง่วงอยู่เตือนหน่ะขึ้นนอนหลับเทนอนไม่หลับใช่ไหมถ้ามเท่านั่งง่วงเลยตอนนี้ก็คนไหนเพิ่งนั่งฟังหลวงพ่อนั่งง่วงเป็นบาปรู้ไหมหลวงพ่อเลยไม่อยากให้เป็นบาปรางัเธอลงไปนล่งก่อนกันแล้วกันถ้านั่งเราตื่นไม่ได้นะี่เพราะฉะนั้นลืมตากวา้างๆดูหน้าหลวงพ่อนะเยวไหลับตานะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกกายขณะที่นั่งเนี่ยถามว่าคนรู้สึกยังไงอุปหล่อต่อม่ถูกใช่ ม, มันเยอะแยะไปหมดเลยนะแม้แต่ความรู้สึกกายที่แยะไป ดึงเจ็บปวดแสบคันอันนี้ทางกายทางจิตก็สบายพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเพียดเล่ง อ, อึดอัดขัดเคืองพอใจไม่พอใจก็มีเยอะแยะไปหมดด้วยความรู้สึกคําเดียวเนี่ยนะทีนี้เราก็อย่าไปตามรู้ทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ท่านให้มาจับความรู้สึกทีละอย่างคันนี้รู้สึกเป็นไงกับพี่กระเปา๋าหรืออ่อนเปียกเพียรแรงสบายหรือไม่สบายสดชื่น หรือว่าง่วงเหงาก็ดูอาการเหล่านี้ก่อนสําหรับผู้ใหม่นะทีถ้าหากว่าดูอาการเหล่านี้แล้วรู้สึกร่างกายสบายและปลอดโปร่งโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็จะพาเจริญสติด้วยการออกกําลังกายซะก่อนเพื่อปลุ ก, ป ล, กปลุกทา่าให้ตื่นแล้วนอนหลับมาทั้งคืนเนี่ยร่างกายของเราก็จะไม่ยังไม่ค่อยตื่นซบเซาอยู่ต้องมาปลุกทา่าให้ตื่นซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญเมื่อท่าสี่ของเราดินนแล้วหนูไฟมันตื่นตัวเต็มที่มันวิ่งมันทํางานปกติไม่ติดขัดร่างกายเรา ก็เข้มแข็งสดชื่นนะดัง น, นั้นมันเป็นอนิจังรก็ให้มันทํางานให้ดีทําหน้าที่อนิจักรให้มันดีแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอนิจักรคือการหมุนเวียนของเลือดไม่สะดวกของลมไม่สะดวกของดินน้ําโลไฟเดินไม่สะดวกสะดวกอณิจักรเดินไม่สะดวกร่างกายจะรู้สึกเป็นไงปวดเมื่อยเรียขัดยอ่อใช่ไหมแสดงว่าเลือดลมและลมปราณไม่สะดวกลแล้วเราก็ต้องทําให้มันสะดวกก็คือการออกลกาําไกยปลูกธาตุดินน้ําโลไฟให้ทํางานดีขึ้นมันก็สดชื่นได้ทั้งวันจิตใจก็เข้มแข็งสมอง แจ่มใสทําอะไรก็โซเพอร์สร็จ้ะไหมมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทําเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 25-40 จนถึงปัจจุบันเะนี่ยมาไม่เคยล้มหมอ น, นอนเสือถ้าจะบอกว่าท่านเจ็บป่วยนี่ถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุแทบจะนับครั้งได้เลยว่าไม่เป็นอะไรทําเรื่องนี้มาเพราะว่าพอมาเข้าใจวิธีการขอวงพ่อเห็นว่าต้องรักษากายให้ปกติเรียกว่ามีสีร่างกายที่ปกติมันป่วยไหมไม่ป่วยร่างกายที่ปกติมันปวดไห ม, ไ ม, ห ก, ก, ม, ไหมก็ไม่ปวดที่มันปวดมันเมื่อยมันป่วยแสดงว่าผิดปกติแล้วสี ของร่างกายมีไหมอันนี้คือศีลในขั้นปรามัดนะคือทําร่างกายให้ปกติมันจะเข้มแข็งสดชื่นจิตใจที่ปกติเนี่ยมันดีใจมันเสียใจมีไหมไม่มีปกติไม่คว่ถ้ามันไม่ดีใจไม่เสียใจมันเฉยๆมันสงบโดยธรรมชาติของมันอ่ามันขุ่นมัวมันเศร้าหมองเนี่ยถือว่าผิดปกติแล้วอย่างนี้ก็ผิดศีลทางใจศีลคือความปกติเพราะฉะนั้นศีลที่ได้กล่าวไปเมื่อวานว่าถ้าแปลโดยปรามัดคือสัจจะแล้วแปลว่าปกติถ้าแปลโดยสมมติแปลว่าอะไรหนูหนูลืมตาไม่ขึ้นในหนูคนนั้น เมื่อคืนนอนไม่ดับใช่ไหมลงไปนอนหลับกันไปหลวงพ่อสังเกตมาหลายนาทีแล้วนะเทวพยายามจะฝืนแต่ฝืนไม่ขึ้นน่ารังใดยังหลับอยู่นะน่าเห็นใจจริงอะจะลงไปนอนได้หลวงพ่อไม่ว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทําร่างกายให้ปกติมันจะไม่ง่วงไม่เหงาถ้าง่วงเนี่ยนั่งง่วงกนะ็งผิดปกติละก็ผิดศีลนะีก็ทําให้ร่างกายของเราผิดปกติเพราะฉะนั้นการดูแลร่างกายดูแลจิตใจนั่นคือการปฏิบัติธรรมบางคนโอ้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนะไปถึงคานชาญขั้นไหนแต่ร่างกายเป็นไง <laughs> <laughs> เจ็บป่วยถ้าศีลบางต้นยังไม่มีแล้วคุณจะไไปถึงาชห ว่าที่สูงขั้นไหนนะมันไปไม่ได้มาดูร่างกายให้ปกติให้เข้มแข็งจิตใจให้ปกติการอยู่การกินอะไรต่างๆดังนั้นเองบางทีพูดถึงเรื่องการปฏิบัติในทำขั้นสูงแล้วบางทีเราไปไกลเกินไปแต่สิ่งเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยเราอย่างทำไม่ได้ทําได้แต่ว่าคือทําให้มันเป็นจริงนะไม่ใช่มนุษยมาคิดเอาเป็นจริงว่าร่างกายของเราทําที่เราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วมันย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนําความสุขสบายมาให้ธรรโม สุจิ น, นสุกมาวาหาติเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเจริญสติที่เคลื่อนไหวเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะชีวิตของเรามีมีการเคลื่อนไหวอันเกิดจากความจริงสองอย่างคือเกิด กับดับหยุดกับเคลื่อนนะแต่คนจริงพี่เป็นเริ่มต้นเป็นรูทเป็นรากเป็นออริจินัลมันจริงๆริงคือมันก็เกิดแล้วก็ดับแต่มันจะขยายออกมาเป็นมิติต่างๆทั้งกายทั้งใจมิติแรกๆที่เราเห็นคือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากับหายใจออกส่วนไหนเป็นเกิดส่วนไหนเป็นดับให้เห็นการเกิดดับของกายก่อนลองหายใจเข้ารู้สึกไงก็หายใจออกหายใจเข้ากับหายใจออกไหนรู้สึกสบายไหนรู้ึกไม่สบายต้องหายใจหายใจเข้าเป็นสบายไหม่อได้ใส่ใจดูเลยหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนรู้สึกสบาย อันรู้สึกไม่สบายหายใจเข้าสบายไหมไม่สบายอิดอัดใช่ไหมหายใจออกเป็นไงสบายถ้าระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกถ้ามันอันไหนเป็นเกิดอันไหนเป็นดับหายเข้าเป็นเกิดเพราะมันไม่สบายใช่ไหมการเกิดเป็นทุกข์ไหมอ่านี่การเกิดเป็นทุกข์แล้วเวลาหายใจออกสบายใช่ไหมการดับเป็นไงสบายเตสังบูปสุโมสุโขก็ดียินคํานี้ไหมเขาพูดกันที่ไหนนาเชิงตะกอนเตสังวูปสุโมสุโขการเข้าไปสงบแล้ครับที่การเกิดขึ้นคือการมีความสุขหาใจ ออกสุขใช่ไหมสบายผ่อนคลายทีนี้อิเลิบดมีเท่าไหร่อิเลิบดมี4ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนยืนควรจะคู่กับอะไรยืนคู่กับเราจะเราจะเดินได้เพราะอาศัยการยืนเพราะฉะนั้นยืนกับเดินคู่กันใช่ไหมเราจะนอนได้ต้องอาศัยการนั่งเพราะนั่งกับนอนคู่กันเพราะฉะนั้นยืน กับเดินการยืนกับการเดินอันไหนเป็นตัวไหนเป็นตัวหยุดตัวไหนเป็นตัวเคลื่อนตัวเดินเป็นตัวเคลื่อนตัวยืนเป็นตัวหยุดระหว่างการนั่งกับการนอนตัวไหนเป็นตัวหยุดตัวไหนเป็นตัวเคลื่อนตัวนอนเป็นตัวหยุดแล้วตัวนั่งเป็นตัวแน่ใจหรือว่าระหว่างตัวนั่งกับตัวนอนตัวไหนเป็นตัวเกิดตัวไหนเป็นตัวดับอันไหนรู้สึกสบายตัวนั้นเป็นตัวดับอันไหนรู้สึกไม่สบายตัวนั้นเป็นตัวเกิดระหว่างนอนกับนั่งตัวไหนสบายตัวนั้นไม่สบายนสบายนอนก็กายตัวดับ แล้วตัวนั่งก็เป็นตัวเกิดตัวยืนก็ตัวเดินตัวไหนเป็นตัวตัวเกิดเดี๋ยวนเป็นตัวดับยืนเป็นตัวเกิดเดินเป็นตัวดับเพราะมันสบายเนี่ยเพราะฉะนั้นการในตัวของเราเนี่ยก็จะมีอาการอยู่สองอย่างคือสบายและไม่สบายสาหกันตรรดเวลาถ้าไม่สบายแลาก็สับสับยัปราหาความไม่สบายอยู่กับการเกิดรู้สึกเกิดและคือความไม่สบาย มันเกิดแล้วก็ปรับหาความดับการเกิดกับการดับกับการเกิด ก, บกับการตายต่างกันไหมไม่ต่างถ้าพูดเป็นภาษาสมมุติเลยว่าเกิดตายถ้าพูดภาษาปรามาัตร์เลยว่าเกิดดับอ่าเกิดดับเป็นภาษาจิตเกิดตายเป็นภาษากายแต่มาอาจจะอเดียวกันแต่มันขยายออกมาจากเกิดดับมาเป็นการเกิดตายคนเรากลัวกลัวเกิดดับไหมมันเกิดดับตอนเวลาเรากลัวไหมไม่เคยกลัวแต่เกิดตายทําไมเรากลัวอ่าเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจการขยายของมันเพราะนั้นกลัววิปัสนาท่านจึงให้มันรู้การเกิดดับ เมื่อคุ้นกับการเกิดดับแล้วเราก็จะไม่กลัวตายเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันการเกิดดับเราอาศัยการเวลาไหมไม่อาศัยการเวลาแต่การเกิดตายอาศัยการเวลาไหมอาศัยการเวลาเพราะตัวความจริงเป็นอากาลิโกลไม่อาศัยการเวลาแต่ตัวความไม่จริงคือตัวสมมติต้องอาศัยการเวลาเพราะฉะนั้นการเกิดตายเป็นตัวสมมติว่าเกิดว่าตายแต่ความจริงแล้วมันก็ขยายมาจากตัวเกิดเกิดดับนั่นเองเราก็จึงมาใช้ตัวการเกิดดับ นี่เป็นนิมิตเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติการยกมือขึ้นกับมือลงตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับการยกมือทั้ง14จังหวะมีเกิดมีหยุดกี่ครั้งมีเคลื่อนกี่ครั้งการเคลื่อนกับการหยุดตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับการเคลื่อนเป็นการหยุดเป็นและหยุดสบายหรือไม่สบายระหว่างบางครั้งการเคลื่อนคนจะเป็นเกิดบางครั้งมันก็เป็นดับแล้วแต่ว่าการเคลื่อนกันนั้นอันไหนสบายหรือไม่สบายถ้ารู้สึกอันไหนสบายอันนั้นเป็นดับอันไหนไม่สบายอันนั้นเป็นเกิดเพราะนั้นการเคลื่อนกับการหยุดตัวไหนเป็นการเคลื่อนมือ การหยุดอันไหนสบายอันไหนรู้สึกไม่สบายการหยุดรู้สึกสบายการเคลื่อนรู้สึกหนักไม่สบายเพราะฉนั้นการเคลื่อนควรจะเป็นการเกิดหรือการดับการเคลื่อนเป็นการเกิดการหยุดเป็นการนั้นเวลาเคลื่อนและหยุดต้องใหรู้ให้ชัดรู้ชัดการหยุดและการเคลื่อนก็รู้ชัดการเกิดและการดับแต่อาศัยตัวรูปเป็นเป็นเครื่องมือนะอาศัยตัวรูปเป็นเครื่องมือแต่อาศัยอาการของการเกิดดับของรูปเป็น อารมณ์เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวทุกส่วนมันแคมีสองอย่างคือการเกิดการดับเพราะมันจําลองมาจากมันขยายตัวมาจากการเกิดและการดับของจิตเพราะนั้นจิตมีการเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเกิดดับในลักษณะที่มีความถี่สูงเป็นอินฟินิตี้ ไม่สามารถจะนับได้ว่าเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราไม่มีกายนี้เราก็จะไม่รู้ว่าจิตนี่มีการเกิดดับแต่กายเนี่ยมันเป็นตัวเฟืองขยายสมมุติว่า 10,000 รอบต่อวินาทีอย่างเงี้ยมันทําให้ตาก็เห็นรู้เรื่องหูฟังได้ยินรู้เรื่องเข้าใจจมูกรมกินก็รู้เรื่องว่ากินอะไรลิ้นริมรสก็รู้เรื่องว่ารสอะไรกายสัมผัสก็รู้ว่ามันรู้สึกเย็นรืนอนแข็งอย่างไรจิตก็นึกคิดได้มันจึงมีถึง6มิติเพราะฉะนั้นความเกิดดับของจิตจึงสูงมากสามารถทําให้อายตนะนทํางานพร้อมกันรู้เรื่อง ทั้งหมดเลยคอมพิวเตอร์ที่ว่าดีขนาดไหนก็เรียกว่าทํางานพร้อมกันอ่าเดียเด๋ยวนี้เป็น I อแล้วไอเซเว่นไอเอสไอเทนงนะก็มันมีศักยภาพแค่นั้นแต่คนมีศักยภาพสูงสุดเพราะมีความเกิดดับที่สูงสุดจนสามารถตามหูจมูกลิ้นกายทำงานพร้อมกันได้โดยที่เพราะนั้นร่างกายเป็นสิ่งวิเศษที่สุดเราไม่ควรทำร้ายกันใช่ไหมเราไม่ควรฆ่าร่างกายนี้เราไม่ควรเบียดเบียนร่นางกายนี้แต่เรารู้ไหมว่าเราเราเบียดเบียนร่างกายนี้เช่นอร่อยมากๆกินเยอะๆเบียดเบียน เร<อา>ทําอะไรที่มันเกินกําลังเบียดเบียนตัวเองถการเบียดเบียนตัวเองก็คือการทํำร้ายอะไรทํำร้ายธรรมะทำร้ายธรยมรมะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับผลวิบาก ค, คือเราต้องเจ็บป่วยใวิบากกรรมที่เราเพําะน้นทำให้ศึกษาการเกิดการดับอันนี้คือมาศึกษาธร ร, ร, ร, ร, รมะเห็นการเกิดดับของทุกจุดของร่างกายจะลุกก็เห็นการเกิดจะนั่งก็เห็นการเกิดจะลุกขึ้นเป็นเกิดยืนเป็นานการดับกลายเป็นการ กิพอลุกขึ้นใหม่ใหม่มันสบายใช่ไหมพอยืนานานๆสบายไหมไม่สบายการดับเปลี่ยนเป็นการเกิดพอนั่งลงาการยืนที่มันกลเป็นการเกิดพอนั่งลงมันดับพอนั่งไปนานๆความที่มันดับจะเปลี่ยนเป็นการเกิด พการเกิดดับเป็นคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหม <c oughs> คนละเรื่องเดียวกันการสุกกระทุกก็เป็นคนละเรื่องเดียวกันสุขานานๆก็เปลี่ยนเป็นทุกทุกานานๆก็เปลี่ยนเป็นสุขนั่นเห็นไหมจึงเรียกว่าสัจจะเป็นปรมัตมีสิ่งเดียวไงแต่ว่าอาศัยตัวปรากฏการคือตัวการเกิดกับการดับกันหยุดกับการเคลื่อนเป็นคนละสิ่งเดียวกันใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันดังนป ร, ปรมัตย์จึงมีสิ่งเดียวแต่สมมุติมีนับไม่ได้เป็นหมื่นพังแสนครั้งนะเหมือนกับการเกิดดับของจิตเนี่ย เป็นหมื่นครั้งแสนครั้งต่อวิแต่การกระทำเราทำได้ทีละอย่างทีละอย่างละอย่างใช่ไหมถ้าการทำสิ่งอย่างได้อย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันหลายๆครั้งทำได้ดีไหมไม่ได้ดี นั่นแหละรวมให้าการทำทีละอย่างได้อย่างแต่อาศัยการเกิดดับของจิตเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งในแต่ละวินาทีดังนั้นการที่เรามาภาวนาคือมารู้การเกิดและการดับโดยอาศัยการหยุดและการเคลื่อนของกายเป็นที่ตั้งเพราะมันดูง่ายเพราะมันเป็นวัตถุมันเป็นรูปธรรมแต่เราจะไปดูจิตว่ามันคิดกี่ครั้งคิดครั้งหนึ่งกี่นาทีวินาทีเนี่ยมันยาก เพการเกิดดับมันสูงมากเราไม่สามารถจะตามทันได้แต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้ไปดูสิ่งนั้นแหละให้ไปเห็นสิ่งนั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากความเร็วของสติปัญญาของเรายัางไม่พอนั่นการมาสร้างจังหวะมาเดินโยกลมเพื่อการมาสร้างความถี่ของเป็นไงเมื่อคืนไม่ได้นอน น, ะนั่งหน้ารถเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าเราไม่หลับเนาะแต่เราไม่ง่วงอะไรเช้าเนี่ไอ้นอนคนเดียวนนหลายคนนะครับสองคนน่ะ โอ้แน่นอนคุยกันทั้งคืนเลย <c oughs> ห้องไม่พอห้องผู้ชายไม่พอยังคุยจี <c oughs> อ๋ออย่างงั้นตอนกลางวันตอนนี้ตอนน้ตองหาเต็นให้มันนอนแยกข้างนอก <c oughs> ต้องหาเต็นให้อันหนึ่งเพราะนอนสองคนจะเป็นเหตุนอนไม่นนไม่หลับเเพราะว่านอนหลับก็ไม่สนิทขณะนอนคนเดียวยังไม่ค่อยสนิทเลยนะนอนสองคนที่ไปกันใหญ่เลยแล้วก็มานั่งให้หลวงพ่อเห็นตอนเช้านี่เป็นบาปนะ <c oughs> ขู่ไว้เฉยๆนะอ เพราะฉนั้นจะไปนั่งง่วงต่อหน้ากันถ้านั่งเห็นใครนั่งง่วงอยู่หลวงพ่อเทศไปไม่เป็นเลยนะฮะหลวงพ่อต้องมาชี้ให้เขาตื่นซะ ก, ก่อนพ่อสงสารเขาเนะี่ยเขาเขาเป็นยังไงเขาเขามีความทุกข์มากเราเรามาทําให้เขาง่วงนั้นไม่ดีเลยเราเป็นบาปนะเนี่ยเราก็ต้องชี้ให้เขาตื่นก่อนเพื่อเราจะได้ไม่บาปนะฮะังนั้นเราจะเห็นว่าการ ห, หนูนี่หนักจริงๆนะเธอไปนอนได้แล้วนะขนาดแค่แล้วเธอก็ยังนั่งเงียบๆอยู่นะนะสามคนที่หลวงพ่อเห็นนะวันนี้เธอไม่ต้องมาปฏิบัติหลังจากทานอาหารแล้วนะเธอไปนอนให้พอนะเอาหลวงพ่ออนุญาตนะโทษปฏิบัติทำแล้วทำให้ไม่สบาย ม, มันมันไม่ได้บุญ น, นะหนั่นั้นเมื่อเราการปฏิบัติโดยอาศัยการเคลื่อนไหวการเคลื่อนนั้นมีการหยุดอยู่เช่น ลองสร้างจังหวะดูสิบสีครั้งนะมีการเคลื่อนกี่ครั้งมีการหยุดกี่ครั้งสําหรับคนใหม่นะคนเก่ารู้คําตอบละสำหรับคนใหม่ลองสร้างจังหวะครบสิบสีครั้งถามว่ามีการหยุดกี่ครั้งมีการเคลื่อนกี่ครั้งเธอก่อนก็แล้วกันคนใหม่เท่าไร่อยู่ที่ครั้งเคลื่อนกี่ครั้งหนูครบแล้วใช่ไหมสิบสีจังหวะนะเอาครบแล้วนี่หยุดกี่ครั้งเคลื่อนกี่ครั้งฮะหยุดเท่าไหร่เอาคนนี้ดิฟ้าอ่ะเราทำให้หลวงพ่อดูโอ้ยถ้าไปคู่อย่างเงี้ยเลเธออย่านับเป็นแบบนั้นเลนับทีละจุดทีละจุดเลยมั่วละน เคลื่อนหยุดเคลื่อนไปจุดไปจุดไปเลยนับเลียงกันไปเลยอ้านับดูอ้าเลขแค่นี้ง่ายๆนะเดียตั้งใจหน่อยทีอันนี้คือสมาธิเรื่งความตั้งใจนะ <laughs> กำลังสอนสมาธิอยู่เนี่ยไม่ได้สอนว่าเออตัวนัว่งหลับตาอย <laughs> ู่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แด้เท่าไหร่โอ้โหเลขตัวนี้ไม่น่ายากเลยนะ <laughs> งงๆอยู่ใครจะทําได้ถูกได้เท่าไหร่หยุดเท่าไหร่เคลื่อนเท่าไหร่เคลื่อนสิสี่แล้วหยุดอ่ะอันนี้งงจริงๆเหรอเป็นคำถามยาก ไ, ไหมไม่ยากนะอ้าลองดูนหนึ่งอันนี้หยุดใช่ไหมสอง เพื่อนใช่ไหยุดสเพื่อนห้าหยุดหกเพื่อน7ยุดื่อน9ยุดื่อน11เอย่ื่อน13่ย่ื่อน15ยุดื่อนยี่เย่ื่อน9ยุดเื่อน21เยุดเพื่อนยี่สยุดเพื่อนยี่ยุด เุดยเคลื่อน29ยุดมันไม่ใช่28นะเธอจะคิดแบบบัญญัติยายหรือว่าหยุดเมื่อหยุด14เคลื่อนก็ต้อง14ใช่ไหมมันเป็นข้อสรุปที่ผิดพลาดมากนั้นระหว่างหยุดกับเคลื่อนอันไหนมากกว่าอันไหนมันจะต้องมีมากอยู่อันหนึ่งหยุด มากกว่าหรือเคลื่อนมากกว่าเท่าไรนะเอาคนเก่าอย่าตอบเดี๋ยวคนใหม่ตอบคนใหม่เห็นไหมอันนี้คือการเจริญสติดูสิ่งที่ไร้สาระให้มีสาระดูสิ่งที่เล็กน้อยให้มีความสำคัญแล้วดูสิ่งทุกอย่างมันเกิด มันจากสิ่งเล็กๆที่สุดนะถ้าเราไม่ใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเราก็จะไม่เห็นความจริงทุกวันนี้เรามีปัญหาเพราะว่าเราไม่ใส่ใจจุดเล็กน้อยเรียกว่าประมาทเพราะนั้นการลุกการนั่งการเดินต่างๆทาไมเราเน้นกันเหลือเกิน เ, เป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะพีสนใจมาทําไมน้างหนาใช่ไหมเราก็คิดอย่างนี้แต่ก่อนนะพอใส่ใจเข้าไปใส่ใจโอ้มันสาคัญคําสอนพระเจ้าสําคัญว่าให้ใส่ใจจุดที่เล็กที่สุดของชีวิตอย่ามองข้ามยิ่ง<ม>การเกิดและการดับ ของจิตเป็นสุดสิ่งที่เล็กที่สุดที่มีความถี่สูงสุดแค่ความถี่ของไฟเนี่ยอะไก็ยังแยกไม่ออกเลยใช่ไหมว่าเออไฟหลอดเนี่ยมันหมุนถึงหนึ่พครั้งต่อวิเนี่ยเราก็เห็นแสงมันสะนเทือนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันลดลงมาเรื่อยๆ500 300 200มสงร้แสงจะเทียนจะเป็นอย่างนี้ไหมแสงก็เกิดไปไงเกิดการกระพริบเราเห็นจังหวะของการเกิดดับชัดแล้วใช่ไหมพอความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นไปไงแสงที่มันกระพริบกระพริบแล้วลงเริ่มนิงน่งๆเหมือนมันไ ม, ไม่ไม่เคลื่อนเลยเพราะนั่นการหยุดกับการขึ้นจริงเป็นสิ่งเดียว ที่ให้เราเห็นว่ามันเคลื่อนเพราะความถี่มันต่ําที่เราไม่เห็นว่ามันเคลื่อนเพราะความถี่มันสูงแต่นั่นคือการหมุนเท่านั้นเองความเกิดกับความตายจึงเป็นเรื่องเดียวกันที่เราเห็นว่าตายเพราะความถี่มันต่ำเพราะเห็นว่ามันมีชีวิตอยู่เพราะความถี่มันสูงอยู่เท่านั้นเองเพราะนั้นทุกอย่างคือกฎของอะไรอนิจจงใช่ไหมการหมุนของความผิดปกติของอนิจจ์ก็ให้เกิดปัญหาคือไฟกระพริบความถี่มันต่าลง คือทุกขังแล้วทั้งหมดทั้งปวงนั้นที่เห็นไฟอยู่เนี่ยมันมีตัวตนที่แท้จริงไหมไม่มีเพราะมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยของการหมุนเท่า น, นั้นเองชีวิตที่เราเห็นกันเนี่ยพูดได้เคลื่อนไหวได้มองได้ได้ยินได้เนี่ยมันก็คือการความผีของจิตที่มันหมุนด้วยความเร็วสูงทําให้พูดกัรรู้เรื่องแต่เราไม่เห็นข้อแท้จริงอันนี้แล้วปฏิสัส ม, มุติว่ามีเราที่เราเคลื่อนไหวอยู่ได้มันก็คือเกิดจากการเกิดดับที่มีความผีสูงสุดเท่านั้นเองใช่ไหมคิดไปถึงบ้านใช้เวลากี่วินาทีใช่ไหมมันนับ เลเป็นพุทธเจ้าใช้คำว่ารักนิ้วมือเดียวอะ่ะถ้าผลวงจ่อจะหอบไปเมริกานี่เป็นไงรัดนิ้วมือเดียถึงเลยเนะนี่ยนี่ความถี่ของจิตแต่ถ้าหากว่าขยายเป็นความเป็นความถี่ของกายเราจะเดินจากนี่ไปเมืองจีนอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาหลายเดือนใช่หมหลยหลายปีแต่พอเรานั่งรถเก๋งไปรถความถี่ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นความถี่ของเครื่องบินนะ แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ความจิตความถีมถ่ของจิตสูงกว่านั้นพระสามารถห่อไปได้ด้วยลัดด้ยวยมือเดียวเห็นไหมอันนี้คือเราขยายความถี่ออกมาเป็นยาวเหมันความจริงมันคือสิ่งเดียวกันแต่เราไม่รู้จักสมมุติอันนี้เราก็จึงมาจเจริญวิปัสนาเพื่อวิปัสนาเพื่อให้เห็น ความถี่ของการเกิดดับให้ชัดที่สุดวิปสัสสนาแปลว่าเห็นให้ชัดเห็นให้แจ้งเมื่อเราเห็นความถี่ของชีวิตจากยากลางละเอียดแล้วเนี่ยเราสามารถจะควบคุมชีวิตนี้ได้แต่ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมอนตาแปลว่าอ unc ันโคลอัน c o n t r o l a b l e แปลว่าไม่สามารถควบคุมได้ ไม่อยู่ในอำนาจเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราควบคุมมันได้เมื่อไหร่มันเป็นธร ร, รมมาจากอนัตตาเป็นธรรมเป็นปัญญาขึ้นมา ท, าทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องการควบคุมฝูงชนให้อยู่ในอำ น, นาจได้ให้มันเป็นธรรมเงี้ยแต่ถ้าควบคุมไม่ได้เกิด จ, จรายชนเกิดการอ่านี้ขึ้นมาควบคุมไม่ได้เป็นสังคมนะัสังคมเป็นอนัตตาสังคมการแตกหักแตกสลายมันไม่เป็นธรรมจริตของเราเหมือนกันถ้าจิตของเราควบคุมจิตไม่ได้จิตของเราใช้ได้ไหมไม่ได้ จิตใช้ ไ, ได้ร่างกายนี้ควบคุมอยู่ในภาวะควบคุมไม่ได้ร่างกายนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็ต้องใช้ดวดเข้าไปประคุดดวดสติสมัมยิที่ฝึกเนี่ยเพื่อเข้าไปควบคุมสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ย ให้มันคงที่สิ่งที่มันเป็นเป็นทุกข์เนี่ยไม่ให้มันเป็นทุกข <Brook> ์สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้มันควบคุมได้จึงเปลี่ยนกฎของไตรลักษณ์ให้เป็นกฎของไตรสิกขาผู้ริจ้าจึงสอนเรื่องไตรสิกขาไตรสิกขามีอะไรบ้างถามคุณใก ล, ล้ๆนี่แหละจำได้ใช่ไหไตรสิกขามีอะไรบ้างสินสมิปัญญาถามว่าสินสมิปัญญาเนี่เกิดจากไหนเกิดมาจากไหนถ้าเราปรับกฎของอนิจจังได้ตามต้องการมันเปลี่ยนเป็นศินปรับกฎของทุกขังได้ตามต้องการมันเปลี่ยนเป็นสมาธิปรับกฎของอนตัตตาได้ตามต้องการมันเปลี่ยนมาเป็นปัญญาแล้วตัวไหนที่จะ มาปรับกฎของนิจจัทุกขังอนัตตาให้เป็นสีสัพยาก็คือตัวสติสัมปชัญญะเราจึงมาเจริญสติสัมยาเพื่อที่จะไปเปลี่ยนกฎใจรักที่เราใช้ไม่ได้ให้มันเป็นกฎที่ใช้ได้เหมือนเราจะเปลี่ยนข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเป็นข้าวเปลือกเป็นข้าวสารกินได้หรือยังยังไม่ได้ต้องเปลี่ยนข้าวสารมาเป็นข้าวสุกที่จะเปลี่ยนขบวนการในการเปลี่ยนข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารเนี่ยง่ายใช่ไหมแต่เปลี่ยนขบวนการเปลี่ยนข้าวสุก เอาเข้าสันมันไม่ค่อยสุก ง, ง่ายไหมถ้าไม่มีไฟเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีความร้อนเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน เราจะเปลี่ยนอณนนิจังทุขังอนัตตาให้เป็นศีลสมัยนีถ้าเราไม่มีความร้อนคือความเพียรไม่มีตบะไม่มีความพ ย, ยนันมันเพียรเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันได้ไหมนี่สาเหตุว่าทําไมเราต้องมานั่งยกมือเพื่อที่จะเปลี่ยนกฎของความไม่เที่ยงให้มันเที่ยงกฎที่มันเป็นทุกข์ให้มันไม่ทุกข์กฎที่เป็นอนัตตาให้มันเป็นธรรมก็คือต้องมาทําอันนี้บางคนเขาบอกอมองไมเ่เห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลไม่สมเหตุสมผลเลยมันไม่เปลี่ยนได้อย่างไรใช่ไหมเวลาคุณต้องการที่จะเปลี่ยนข้าวสารให้เป็นข้าวสุกเนี่ยเพียงแต่ยก ข้าวใส่หม้อแล้วก็เสียบไฟต้องการเหตุผลไหมว่าทำไมต้องสุกทำไมมันจึงสุกคุณเสียไฟแล้วคุณไปไหนไม่รู้กลับมาคุณก็เปิดข้าวกินได้เลย คุณต้องมานั่งหาเหตุผลว่าทำไมข้ามันจึงสุกพ่อมันกดของอะไรมันเป็นกูดของธรรมชาติไม่มีเหตุผลอยู่เหนือเหตุผลแล้วคุณยกมือไปยกมือคุณก็ไม่ต้องการเหตุผลคุณยกไว้เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันเปลี่ยนของมันเองใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันผลในในระบบของธรรมเนี่ยมันเหนือเหตุนอกเหตุเหนือผลเราไม่สามาแค่เอาหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เหตุผลเป็นเรื่องของนามวัตถุธรรมเป็นเรื่องของวัตถุแต่ว่าถ้าเป็นนามธรรมแล้วมันอยู่นอกเหนือเหตุผลความจริงมันก็มีเหตุผลแต่มันละเอียดเกินไปที่จะอธิิิบบาาาายยธเจจจ้้้ะใชว่่ออนไไไมด เพราะคือปัญญาของคนทั่วไปธรรมดานเนี่ยอธิบายไม่ได้แต่ทําไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะกินมะม่วงเนี่ยเราต้องไปสร้างมะม่วงให้มันสุกได้ไหมเราไปสร้างมะม่วงสุกให้ให้สุกเองได้ไหมไม่ได้เลย ห, หน้าที่ของคุณทำไงเขาเพียงเจตโต ปลูกต้นมะม่วงทาได้หรืดน้าใส่ปุ๋ยบนดินวันหนึ่งมันก็มีมะม่วงออกมาแต่ถ้าหากไม่ทําขบวนการนั้นเราทํามะม่วงให้มันสุกสร้างมะม่วงขึ้นมาทําให้มันสุโดยที่ไม่ต้องปลูกต้นมะม่วงได้ไหมไม่ได้นั่นเคือเรียกว่าระบบของธรรมชาติเขาจัดการเขาเองดัะนั้นเวลานั่งสร้างจังหวะเดินจกงกลมไปมีหน้าที่ทำเท่านั้นเองแล้วไม่ต้องไปนึกว่าเอ๊ะทำอะไรเพื่ออะไรเป็นยังไงได้อะไรทําไมต้องทำางี้ไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลทั้งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรารู้ไหมว่าข้าวที่เเเเเเรราาาาาากินนนนนนนททัั้จี่่่ยมไปปปปปลล็็็ตออหืด สีดินน้ํำลงไฟเป็นเลือดเป็นน้องเป็นเสศษเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเล็บเป็นผมหมอาการ32อนะ่ะอธิบายได้ไหมว่าไอ้ข้าวที่ mm hmm. เราเคี้ยวแต่ละคำมันไปเปลี่ยนสิเป็นสิ่งนี้ได้อย่างไรเรากินแล้วก็เฉยใช่ไหมไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนให้มันยากและระบบธรรมชาติก็ก็ทำเขาเองท้ให้มีก ำ, ะะกำลังพลังทำํำไมตามองเห็นได้ทำให้หายใจเข้าออกได้ทําให้สัมผัสเย็นร้อนอนแข็งเข่งตึงได้โดยอาศัยเพียงแต่อาการเคี้ยวอาหารในถูกเท่านั้นเองนะเรา ก, ก็ไม่ได้เห็นขบวนการเหล่านี้แล้วเขาไปนั่งคิดเอาเมื่งเวลามาปฏิบัติ ทำมาปฏิบัติพิพิชนาเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดให้เสียเวลาทำเท่านั้นเองทํายัางไงให้มันมันถูกต้องทําถูกต้องคือทาแล้วมันสนุกแต่ทําไม่ถูกต้องทําแล้วมันเป็นไงเบื่อเซ็งขี้เกียจฟุ้งซ่านไม่ถูกละหน้าที่ของทาของเราก็คือเปลี่ยนจากตัวไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องกลับมาให้เป็นเรื่องสดชื่นเบิกบานตื่นตัว อันนี้ถูกต้องแล้ว <L an> เราก็ทําว่ามันก็จะเดินไปเองอเราไม่ต้องไปงคิดว่าจากนี้แลคืออะไรจากนี้ไม่ต้องไปหาคําตอบมันเป็นไปเองเ ม, มื่อคุณรดน้ํา้นไม้ทุกวันทุกวันต้นไม้ไม่สดชื่อแจ่มใสก็ไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหร่มันะจะเป็นลูกมันก็เป็นของมันเองเมื่อมันถึงเวลาเช่นเดียวกันเราทําการเคลื่อนไหวอ ย, อย่างถูกต้องลุกขึ้นยืนอย่างถูกต้องอย่างมีสติเดินอย่างถูกต้องอย่างมีสตินั่งอย่างถูกต้องมีสติให้ตั้งสติในการเคลื่อนกันไหวไปเรยเลยธรรมะความเติบโตของธรรมมันดําเนินไปเองโดยที่ไม่ต้องอธิบายเหตุผลว่าอะไรเป็นนอะะไรรเพามั ธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นธรรมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นวัตถุภายนอกตัวเราเรียกว่าเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ถ้าหากมัเกิดขึ้นสิ่งนี้พัฒนาการในตัวเรามันเป็นธรรมธรรมะก็จะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าทําให้มันถูกว่าจากการที่เราเคยมีชีวิตอยู่ที่บ้านเราไม่มาฝึกฝนอบรมเรื่องนี้เราก็ทําตามธรรมชาติเราเรียกว่าสัญชาตญาณถ้าทําตามธรรมพุทธธรรมเรียกว่าปัญญาญาณที่เรามาทําตามพุทธธรรมคือมาสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวให้เกิดขึ้นก่อนการรู้เนื้อรู้ตัวนั้นเป็นการ รวมกายกับใจมาอยู่ด้วยกันนะรวมการเกิดและการดับให้มาอยู่ใกล้ชิดกันแต่ทุกวันนี้เราชุกมันเกิดที่นี่ แต่ใจแล้วไม่ได้ใส่ใจแต่ทุกเกิดที่นี่แต่เราไปคิดไปที่อื่นมันเกิดที่นี่แต่มันไปดับที่อื่นมันไม่ดับที่นี่นี่คือปัญหาแต่การเจริญสติเนี่ยเพื่อดึงอาการเกิดการดับมาทํางานร่วมกันณปัจจุบันเห็นการหยุดเห็นการเคลื่อนนั่งแล้วเห็นความไม่สบายความไม่สบายไปเกิดหรือไปดับเป็นเกิดใช่ไหมแล้วเธอปรับให้มันสบายความเกิดก็เปลี่ยนเป็นความดับไปพอมันดับไปสักพักแล้วมันก็เกิดใหม่ด้วยกฎของอะไรอานิจังอ่าพอเกิดแล้วมันก็ขอให้เกิดทุกขังใช่ไหมแล้วก็ปรับทุกออกมันก็ดับไปมันก็สลับบนอยู่่อยยาางเเเนนนี้รห็ขบว การเกิดดับจากหยาบละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นปัญญายานปัญญาก็าเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนความถี่ยี่ความถี่สูงขึ้นเท่าไหร่แสงไฟไปไงสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นใช่ไหมเมื่อความต่ําของความถี่ของหลอดไฟต่ําลงต่าลงแสงสว่างเปไงก็จะเฟดลงเฟดลงเฟดลงเฟดลงจนดับในที่สุดอันนี้คือกฎของธรรมชาติมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลอะไรให้ลำบากเลยแต่แล้วทำไมเราสงสัยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เหมือนปลูกต้นไม้ว่าปลูกต้นมม่วง มันยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นลูกแต่เราก็สงสัยว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เราความอยากอวาวิชาเพราะฉะนันทำหน้าที่ไปไม่ต้องสงสัยหถึงว่าคุณเริ่มเดินทางตรงนี้จะไปบ้านเนี่ยมื่อยังไม่ถึงเวลาคุณก็ไม่ต้องสงสัยว่าไม่จะถึงเมื่อไหร่เรากำลังเดินทางอยู่ใช่ไหมเมื่อมันถึงก็คือมันถึงอ่ะอันนี้ประการปฏิบัติเราก็ทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันหายสงสัยแต่สินกันทุกที่หายสงสัยแต่ถ้ายัางสงสัยอยู่ยังไม่ถึงนะก็นั้นมีคําคําหนึ่งเป็นคําชื่อของพระรห ang, ัาาาางงแปปลวว่่ไหหยยยสสสส เรื่องราวของชีวิตหายสงสัยเกิดแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนจะอยู่อย่างไรมันหายสงสัยหมดชีวิตก็มันก็ไม่มีเงื่อนไขที่คอยบังคับเป็นอัน conditionally มันไม่ใช่ conditionally ละมันมไม่มี condition ให้สงสัยละคือไม่มีตัวที่จะทําให้เกิดสงสัยอะคือไม่มีอะไรมาปรุงแต่งดังนั้นอยากจะให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวเป็นการเปลี่ยนจากสรรชตาติญาณให้มาเป็นตัวปัญญาญาโดยอาศัยความตั้งใจหรืออาศัยการเรียนรู้ต่อการเคลื่อนไหว โดยอาศัยทําความเข้าใจกับมันแน่นอนว่าการทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะต้องมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในตัวของมันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยฝึกฝนเรื่องของตัวรู้สึกตัวสติที่เป็นปัญญาญาณมาก่อนแต่ละเวลาชีวิตของเราเราอยู่ด้วยสติที่เป็นสันชัดญาณเพราะสติที่เป็นสันชัดญาณจะทําให้เราได้ให้สี่อย่างเนี่ยหนึ่งการเอาชีวิตรอดโดยการหาอาหารสองเอาชีวิตรอดโดยการหลับนอนที่อยู่อาศัยสาสามเอาชีวิตรอดโดยการหนีภัยกลัวภัย เอาชีวิตรอดด้วยการสร้างกลุ่มสร้างก้อนสร้างเชื้อง่ายสายพันธุ์ของเราให้ดำรงอยู่ มันก็จะทําได้แค่นั้นแต่ถ้าปัญญายาณใจจะทำได้มากขึ้นกว่านั้นทะนั้นเองในช่วงปฏิบัติในช่วงเวลาสั้นๆแค่สองสามวันเนี่ยอยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่อยากให้มานั่งง่วงนั่งเหงานั่งเล่าให้กันดูนะถ้ามานั่งง่วงนั่งเหงานั่งเล่าก็ดูเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อที่จะต้องปลุกให้ตื่นแล้วจะมากรูดหลวงพ่อไม่ได้นะแต่มีหน้าที่ที่จะปลุกให้ตื่นท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีหน้าที่เดียวทําหน้าที่นี้มาทําตั้งแต่ปีศ .2530 จนถึงปัจจุบัน มันก็กลายเป็นชีวิตละทีนี้จะไปไหนก็ไปปูกให้คนตื่นเท่านั้นเองตื่นแล้วมีความสุขมีความสบายคนที่มีความสุขสบายอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไงมีปัญหาไหมไม่มีแต่คนไม่มีความพลุกมาอยู่ร่วมกันมีแต่ปัญหาใช่ไหมแล้วมันชีวิตมันเกิดมามันไร้ค่าชีวิตนี้มีแต่ปัญหาอยู่ทําไมอ่ะใช่ไหมเกิดมาต้องมีความสุขสดชื่นมีความเข้มแข็งมีความกระปี้กระเป่าอยู่ไปสักร้อยปี200ปีก็ยังได้ใช่ไหมมีคุณค่าทุกวันถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยคนตื่นเต็มไปด้วยคนมีปัญหาน้อยเนี่ย ทุกขโลกที่ไม่ได้อยู่โลกนี้เป็นอบายภูมิเป็นนรกเราก็ไม่ได้อยู่นะะ น, นั้นเองก็เราปฏิบัติเพื่อสี่นี้เมื่อเราตื่นรู้ขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยคนในบ้านของเราเป็นไงเริ่มตื่นรู้แล้วใช่ไหมเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงเออเมื่อก่อนคนนี้มันใจร้อนวุ่นวายพูดมากเดี๋ยวนี้มันทำไมมันนิ่งมันเย็นมันยิ้มเสมอคนในบ้านเป็นไงเออแกไปทําอะไรมาบอกฉันว่างซี่ คนในบ้านก็กอยากสุขอยากเย็นเหมือนเราเหมือนกันแต่เขายังไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วคนไหนมีลูกน้องคนงานอยู่ภายใต้บัตค่าบัญชาเขาก็อยากเย็นเขาก็อยากสบายเพราะเราเห็นเพราะเขาเห็นเราเปลี่ยนไปเขาก็อยากเป็นโอ้นายไปทําอะไรมาสอนผมบางสิ่งเราก็เริ่มแจกในสิ่งที่ดีให้กับเขาแล้วนี่เรียกวการให้ทำํำเราก็ได้ให้ฐานขั้นสูงสุดเลยทีนี้คือการให้ทําเป็นฐานเพราะฉะนั้นการฝึกนอกจากได้ตัวเราเองแล้วเราก็ยังแบ่งปันให้กับญาติาพี่น้องอลูกน้องคนงานคนใกล้ชิดภูมีค่าบัญชา เขาก็จะได้รับอนิสงส์งนี้กับเราแต่ การที่เรามานั่งทําแบบเหมือนกระไรสาระแต่มันมีสาระสูงสุดแต่ขอให้ทําด้วยใจไม่ใช่ทด้วยการฝืนเเมื่อไหร่นั่นจะจจะจบเม่ไหร่นะั่นจะกลับบ้านถ้าอย่างนี้แล้วคุณไม่ต้องมาเลยเพราะงั้นมันเสียเวลาเวลามีค่ามากแต่ละนาทีคุณจะมานั่งคิดแต่เรื่องไร้สาระไม่ได้ต้องมาทำปลุกตัวให้ตื่นให้รู้ตัวทุกเวลามากเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะการที่กลับไปแล้วคุณจะมานั่งรู้สึกตัวอย่างนี้มันมันยากมากนะยากดังนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีสาระ สูงสุดท้งนนั่นมาก็คงไม่จะทุ่มเทชีวิตให้กับเรื่องนี้เพราะว่าทำแล้วมันไม่สุขสบาย แล้ไปทําอะไรที่มันจะทําให้เกิดทุกข์เนี่ยมันจะไม่ทําชีวิตเราก็เออเกิดแล้วมีค่าไม่เกิดมามันได้มาสร้างเวรสร้างกรรมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําเรื่องนี้เราก็เกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิอีกมันไม่รู้จะจบนะชีวิตของเราก็มันก็หมดความหมายในแง่ของการไม่มีความสุขดังนั้นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความสุขทําอย่างนี้แหละหลวงพ่อหรวงอาตมาก็ทําอย่างนี้มาตลอดแล้วมันได้ผลกับตัวเองแล้วก็อดไม่ได้ที่บอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกญาติสำหรับคนที่รับได้นะไอ้คนที่รับไม่ได้มันก็ เอาไม่แต่พี่ญาติพี่น้องเลยนะแต่คนที่ไม่ญาติพี่น้องแต่เขารับได้เขาเข้าใจเขามีวาสนามีบุญมีปัญญามาพบกันนะเขาก็รับได้เร็วนะด mm ัง hmm. นั้นในช่วงเวลาสั้นๆ น, นะช่วงเนี้ยสมสี่วันซึ่งก็ ในครู้สติหลงพ่อมีเวลาให้คีดนอกนั้นกลับมาเที่ยว น, นี้ได้ประมาณสักสองเดือนเศษ mm hmm. แล้วรีบกลับอเมริกา อ, อเมริก า, าก็ mm hmm. เขาก็ตื่นตัวเรื่องนี้กันมากเลยคนนั้นก็อยากจัดคนนี้ก็อยากจัดเพราะเขาทำแล้วรู้สึกสบายขึ้นเมื่อก่อนจากเขาหงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวมีปัญหาเยอะ mm hmm. เข้ากลับเย็นสบายรายได้เ้าดีขึ้นชีวิตเ้าดีขึ้นมีความสุขมีเพื่อน ฟูงมีคนรู้จักมากขึ้นเพมันดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งอยู่ที่เชียาโก้เนี่ยเขาทำอาชีพเป็นเรเดลเตอร์นะเป็นเรลเตอร์ก่อนหน้ากับหลังที่จะทําเรื่องนี้เรามันคนละเรื่องเลยทีนี้เขามีความสุขมากตื่นมาเขามานั่งสร้างจังหวะ2ชั่วโมงก่อนที่ไปทํางานกลับมาอาบน้ำเสร็จัวรีบข้็ห้องปฏิบัติเขาบอกว่าเวลาไปเจรจากับลูกค้าจากที่เขาขายบ้านขายที่ดีอะไรต่างๆเมื่อก่อนมีปัญหาเยอะๆแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกโอ้โหเดือนเดืนปีหนึ่งได้กําไรมหาศาลเขาก็เป็นได้รับยกย่องมาเป็นผู้เป็นเเรรตอ์ ที่ดีที่สุดในบริษัทจากที่เขาปฏิบัติเขาเลยเห็นเห็นประโยชน์การคนามี้เขาก็เลยให้ความสําคัญในการเจริญสติอย่างมากเลยนะอันนี้ก็เลยว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยชีวิตที่มันมีปัญหาอะไรต่างๆเนื่องจากสติสัมยะเราไม่เข้มแข็งเมื่อสติสัมยะไม่แข็งจิตใจของเราก็ ร, าร้อนวุ่นวายเมื่อจิตใจของเราร้อนวุ่นวายสติปัญญามันก็เสื่อมเมื่อสติปัญญาเสื่อมเราไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์มันก็ก่อให้เกิดความทุกข์และปัญหาตามมาม า, มากมายใช่ไหมดังนั้นเองเวลาของการปฏิบัติ สิ่งนี้ไม่ได้นับกันเวลาเท่านั้นถ้าเราทำจริงจังมันเป็นอาการิีโกพร้อมที่จะเข้าใจถึงสภาวธรรมได้ทุกนาทีแต่ขอให้ทำที่ถูกต้องที่ว่าสัมมาทิฏฐิ ในพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยปัญญาคือสมาธิถิและสมาสังกปะคือเห็นถูกเราถึงคิดถูกนะเห็นถูกคิดถูกก่อนอันนี้เป็นตัวปัญญาเมื่อเห็นถูกคิดถูกแล้วพูดถูกทําถูกใช้ชีวิตถูกเป็นตัวศีลต่อมาพยายามถูกตั้งสติถูกตั้งใจถูกเป็นสมาธิเพราะนั้นเวลาภาคปฏิบัติเราเริ่มด้วยปัญญาศีลได้สมาธิแต่ภาคปัญญาเราได้เรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่มเพราะนั้นภาคแห่งความเป็นจริงเริ่มต้นโดยที่ปัญญาหมายความต้องเข้าใจในสิ่งที่เราสี่ความหมายกันเนี่ย จมานำเ ส, เสนอเนี่ให้ปัญญาในด้านสูตรตากเท่านั้น สุ ด, ดามั ญ, ญปัญญาคนไหนเข้าใจชัดเจนถูกต้องได้อันที่สองคือจินตามย ญ, ญปัญญาแล้วเอาไปพิสูจน์ทําได้ถูกต้องอีกเกิดปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามยปัญญาแล้วปัญญาตัวภาวนานี้มันก็จะไปบูรณาการใช้กับชีวิตจริงได้อย่างครอบคลุมและกว้าง<ม>ขวางเพราะฉนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่วิเศษมากๆที่พัฒนาศักยภาพของชีวิตมนุษย์ให้มีจากต่ําสุดถึงสูงสุดโดยที่มดไม่ต้องอํานาจไม่ต้องอาศัยอํานาจของพระเจ้าองค์ใดเลยแต่มนุษย์เป็นพระเจ้าเองเพราะฉะนั้น ออกมาก็เลยว่าเวลาชาวต่างเรียข้อถามว่าในศาสนาของคุณมีพระเจ้าหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่ามีเป็นยังไงพระเจ้าพระเจ้าของคุณคุณเขียนยังไง G O D ใช่ไหมแต่พระเจ้าของฉันเนี่ยมันเพิ่ม O อีกตัวหนึง่ง <laughs> เป็นนั่นแหละจากกอดก็ลายเป็นกู๊ดนะฮะานสั่งสมความคุณงามความดีการสั่งสมคุณงามความดีเป็นดับเบิลกอดนะดับเบิลโอว่างั้นนะเขาก็งงเหมือนกันไม่รู้ออกมารูปนี้ได้ยังไงนะเราอาศัย <c oughs> uh, cultivate the goodness that is my my God okay you only one O อยู่นิดๆพูดอันนั้นโ O วอยู่ในประก the same God เป็นกู๊ดเน็ตเราก็ไปในรูปนี้ของเราเนะนีเพราะเราจะเห็นว่า เรื่องของชีวิตในพุทธศาสนามั น, ม, นมันร่ำรวยด้วยการคุณธรรมและเศรษฐกิจที่เราพัฒนาได้เองสะพัดได้เองโดยไม่ต้องอ้างอาศัยพระเจ้าองค์ใดเลยดังนั้นเราทุกคนสามารถเป็นพระเจ้าได้จะลุกจะนั่งจะยั่งจะเดินขอให้มีสตินั่นคือพระเจ้าช่วยเราละแต่ส่วนใหญ่เราอาศัยอยู่กับความเคยชินเรียกว่าอาวิชามาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันจู่ๆ จ, จ, จะให้เราเปลี่ยนมาเป็นมีสติทสมญาอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม แต่ในการฝึกฝนทีละนิดทีละนิ ด, น ด, น ด, นดมันเป็นไปได้นั้นในพุทธศาสนาท่านเน้นที่ความพยายามและการกระทำและความพยายามนะความพยายามเป็นสิ่งสำคัญ เป็นาศาสนาแห่งความพยายามเป็นวิริยาที่กนนะ น, นั้นเราก็จะไม่ท้อขอให้มีความพยายามนั่งไปมันเบื่อก็เปลี่ยนนั่งไปมันง่วงก็เปลี่ยนปรับได้แก้ไขได้นั่งไปมันฟุง้งซ่านก็เปลี่ยนขอให้ปรับแก้ไขโดยการปรับแก้ไขแต่ละครั้งนั้นขอให้เกิดสติสมาธิปัญญาทุกครั้งแต่ทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราไม่พยายามไม่มีความไม่มีความพยายามไม่แก้ไขตัวนั้นมันก็เพิ่มปัญหาคุณใหญ่ฟังพอรู้เรื่องไหมว่าแอ i เท้ากินรู้เรื่องนะคุณใหญ่ก็คงไม่ค่อยดีแต่ฟังฟังที่ปากหลวงพ่อ ก็เป็นครูนะครูในรุ่งอดุนเพราก็ปฏิบัติขยันปฏิบัติมากก็ได้ผลท่านั้นเอง ก่อนที่จะจบนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหรมอจารที่พ่อ น, นำเสนอมาเช้าวันนี้พ่อพระจริญแจง้งชัดเจนนะเม่มีอะไรน่าสงสัยเลยนะเพราะฉะนั้นเอาไปพิจรารณาไม่ว่าท่านจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็ความรู้ฐานเดียวกันคือความรู้สึกตัวหรือว่าคนใหม่ไม่มีความรู้สึกตัวหรือความรู้สึกตัวบกพร่องนะฮะอันนั้นก็เรียกคนพิการแล้วนะเพราะนั่นความรู้สึกตัวเสมอเกินหมดไ ม, ไม่ได้ต่างกันนะาะฉะนั้นในช่วงหลังจากเพลินแล้วก็ให้คนใหม่ของเราขึ้นมาปฏิบัติเพื่จะให้พระอาจารย์สมพงษ์ มาเป็นเพื่อนแนละเชนสมพงศ์เดินทางมาถึงเมื่อคืนเจ้าวาดวัดทรรแสงเทียนดูแลวัดธรแสงเทียนแทนหลวงพ่อมาหลายปีแล้ววันนี้ปีนี้ก็พัฒนาไปไกลพ่อมีแสงเทียนหลกัลกๆคือสามแสงเทียนวัดทรรแสงเทียนวัดแพรแสงเทียนและวัดพัฒนแสงเทียนเพื่อจะส่งแสงเทียนไปทั่วโลกก็ลักดีใจว่าปีนี้คําว่าไมาฟูเนตมันขยายไปทั่วโลกเลยนะ เราทำงานไปมาไปมาอยู่เกือบยี่สิบปีระหว่างปีสี่ศนย์หนึ่งปีหกศนเนี่ยก็คิดว่าปีหน้าก็เลิกเราไม่ไปแล้วนะปีนี้ไปบอกหลายยตดโยยมซะก่อนนะทางยุโรกทางอเมริกาก็อยากจะคนไทยเริ่มตื่นตัวถ้าถ้าหากว่าต่างประเทศเขาไม่ตื่นตัวคนไทยไม่ก็ตื่นตัวเท่าไหร่นะต้ อ, อยัยหลักของ ตีกลับเข้ามาก็ดีใจว่าพวกเราสนใจเรื่องนี้แต่ว่าสนใจในช่วงที่นี้สามวันไม่พอสี่วันไม่พอนะต้องกลับไปบ้านไปใส่ใจไปสนใจเรื่องนี้จะลุกจะนั่งจะย่างจะล้วนแต่มีคุณค่าหมดเพียงแต่ว่าเราใส่ใจลงไปจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดมีความตั้งใจใส่ลงไปแล้วชีวิตนี้เราจะอบอุ่นมีความมั่นคงมีความสดชื่นแจ่มใสแล้วก็สบายตลอดเวลาเราไม่อยากได้ชีวิตแบบนี้บ้างเหรอเออเราไปนั่งง่วงเหงาเศร้าซึมมันไม่ไม่มีค่าเลยนะ เออต้องต้องพยายามฝืนหน่อยนะถ้าวันนี้คนไหนยังง่วงอยู่ก็อนุ ญ, ญาตให้ไปนอนได้นะแต่อย่านอนนานก็นแล้วกันนะคือคือให้มีจิต ม, มีความพร้อมมีศรัทธาที่จะทำอยาให้ให้ฝืนเกลัวหลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะไหนที่มีความพร้อมแล้วตื่นตัวแล้วสบายคุณทําแต่ว่าให้มีสติให้มีสัมปชัญญะในการทํานะงั้นช่วงเช้านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ดีที่สุดใน ชีวิตของเราเพื่อที่จะเป็นเส้นทางนำไปสู่ความสุขสูงสุดที่เรียกว่านิพานด้วยการทุกขนทุกท่านถึง